นวกรร ม, มะธานะว่าด้วยให้นวกรรมเรื่องช่างชุนผ้า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤึ่ตามพระอัธยาศัยแล้วสเสด็จจาริกไปทางกรุงเวสาลีสเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุดาคานสาลาป่ามหาวันในกรุงเวสาลีนั้นสมัยนั้น คนทั้งหลายทานวกรรมอย่างกระตือรือรน้นอุปทากภิกษุทั้งหลายผู้ดำเนินงานก่อสร้างด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขิลานะปัจจัยเพสัชบริขารโดยเคารพครั้งนั้นช่างชุนผ้าเข็นใจคนหนึ่งได้มีความคิดดังนี้ว่าการทานวกรรมนี้ ไม่ใช่ของต่ำต้อยเพราะคนทั้งหลายช่วยกันทำนวกรรมทางที่ดีเราพึงช่วยทำนวกรรมบ้างลำดับนั้นช่างชุนผ้าเข็นใจนั้นจึงขยาโคลนก่ออิดตั้งฝาผนังขึ้นแต่ฝาผนังที่ก่อด้วยความไม่ชำนาญคดจึงพังทลายลงมาแม้ครั้งที่สอง ช่างชุนผ้าเข็นใจนั้นขยําโคลนก่ออิฐตั้งฝาผนังขึ้นแต่ฝาผนังที่ก่อด้วยความไม่ชํานาญคดจึงพังทลายลงมาแม้ครั้งที่สามช่างชุนผ้าเข็นใจนั้นก็ขยําโคลนก่ออิฐตั้งฝาผนังขึ้นแต่ฝาผนังที่ก่อด้วยความไม่ชํานาญคดจึงพังทลายลงมา ครั้งนั้นช่างชุนผ้าเข็นใจนั้นตำหนิประนามโพนธนาวา่าพวกพระสมาณะเชื้อสายสากยบุตรอบรมสั่งสอนแต่พวกที่ถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศสัก์บริขารอำนวยการทำนวกรรมแก่คนพวกนั้นส่วนเราเป็นคนเข็นใจ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 รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุให้นวกรรมได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนักรรมนวกรรมต้องขวนขวายว่าทำอย่างไรหนอวิหารจึงจะสาเร็จได้เร็วต้องปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่สุดสม